คมมะอปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมแปดประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมแปดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสันเสริญผู้ไม่เป็นที่รัก 2. ติเตียนผู้เป็นที่รัก 3. มุม่ง ล, ลาบ 4. มุ่งสักการะ 5. ไม่มีหิริ 6. ไม่มีโอตตะปะ 7. มีความปรารถนาชั่ว 8. เป็นมิฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมแปประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมปประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมปประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิในนี้ 1. ไม่สรรเสริญผู้ไม่เป็นที่รัก 2. ไม่ติเตียนผู้เป็นที่รัก 3. ไม่มุ่งลาบ 4. ไม่มุ่งสักการะ 5. มีหิริ หกมีโอตตะปะเจมีความมักน้อยแปดเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายปฐมมะอภิยะสูตรที่สาจบ 4. ทุติยอภิยะสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมแปประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมแปประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งมุงลาบสองมู่สักการะสมมูชื่อเสียง 4. ไม่รู้จักการ 5. ไม่รู้จักประมาณ 6. ไม่สะอาด 7. พูดมาก 8. ด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรีภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำแปประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำแปประการ ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทำาแปลประการอะไรบ้างคือภิสษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่มุ่งลาบ 2. ไม่มุ่งสักการะ 3. ไม่มุ่งชื่อเสียง 4. รู้จักการ 5. รู้จักประมาณ 6. สะอาด 7. ไม่พูดมาก 8. เป็นผู้มีดาบริภาพเพื่อนพรมจารีภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำแปดประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนโพรมจารีทั้งหลาย <5. S 1> ทุติยอปิยสูตรที่สจบ 5. ้าปฐมโลกธรรมสูตรว่าด้วยโลกธรรมสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย โลกก็ทำ8ปประการนี้ย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกก็ทำ8ปประการโลกก็ทำ8ปประการอะไรบ้างคือ 1. ลาบสองเสื่อมลาบสยศสเสื่อมยศหนินทาหสันเซิญ 7. สุข 8. ทุกภิกษุทั้งหลายโลกก็ทำ8ปประการนี้แลย่อมหมุนไปตามโลก และโลกก็หมุนไปตามโลกธรรมแปดประการนี้ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขและทุกข์ทำเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้มีปัญญาดีมีสติรู้ทำเหล่านี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่ามีความแปรผันเป็นธรรมดาอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนา จึงย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาความยินดีหรือความยินร้ายท่านขจัดปัดเป่าจนไม่มีอยู่ท่านรู้ทางที่ปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศกเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบย่อมรู้แจ้งชัดโดยถูกต้องปฐมโลกัธรรมสูที่ห้าจบ หกทุติยโลกธรรมสูตรว่าด้วยโลกธรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายโลกธรรมแปดประการนี้ย่อหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธรรมแปประการโลกธรรมแปประการอะไรบ้างคือ 1. ลาบสองเสื่อมลาบ 3. ยศสเสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเริญ 7สุข8ทุกภิกษุทั้งหลายโลกก็ทำ8ปประการนี้แล่ย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกก็ทำ8ปประการนี้ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขและทุกขย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขและทุก ย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นมีความแปลกกันอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรมีเหตุทําให้ต่างกันอย่างไรระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุตุชนผู้ยังไม่ได้สดับภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายลาบเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับแต่เขาไม่เห็นประจักษ์ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนี้ว่าลาบนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ลาบนั้นแลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรพันเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบละถึงยศ ความเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับแต่เขาไม่เห็นประจักษ์ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนี้ว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ทุกนั่นแหลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาลาบย่อมครอบงำจิตของเขาได้ความเสื่อมลาบย่อมครอบงำจิตของเขาได้ยศ ย่อมครอบงมามจิตของเขาได้ความเสื่อมยศย่อมครอบเมามจิตของเขาได้นินทาย่อมครอบเมามจิตของเขาได้สันเสริย่อมครอบเมามจิตของเขาได้สุขย่อมครอบเมามจิตของเขาได้ทุกย่อมครอบเมามจิตของเขาได้เขาย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาบยินดีในยศที่เกิดขึ้นยินร้ายในความเสื่อมยศยินดีในความสรรเสริญที่เกิดขึ้น ยินร้ายในนินทายินดีในสุขที่เกิดขึ้นยินร้ายในทุกเขาประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโศกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกความทุกข์กายโทมนมทุกข์ใจอุปาญาตความคับแค้นใจเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุก ภิกษุทั้งหลายลาบเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับเขาเห็นประจักษ์รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนี้ว่าลาบนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ลาบนั้นแลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบละถึงยศความเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์เกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับแต่เขาเห็นประจักษ์ รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนี้ว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ทุกนั้นแลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดาลาบย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้ความเสื่อมลาบย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้ยศย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้ความเสื่อมยศย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้นินทาย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้ สันเสริญย่อมครอบเมือมจิตของเขาไม่ได้สุขย่อมครอบเมือมจิตของเขาไม่ได้ทุกย่อมครอบเมือมจิตของเขาไม่ได้เขาไม่ยินดีในลาบที่เกิดขึ้นไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาบไม่ยินดีในยศที่เกิดขึ้นไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศไม่ยินดีในสันเสริญที่เกิดขึ้นไม่ยินร้ายในนินทาไม่ยินดีในสุขที่เกิดขึ้นไม่ยินร้ายในทุก เขาละความยินดีและความยินร้ายได้อย่างนี้จึงพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตเรากล่าวว่าหลุดพ้นจากทุกได้ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือความแปลกกันนี้คือความแตกต่างกันนี้คือเหตุทาให้ต่างกันระหวางอริยษาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับลาบเสื่อมลาบ ยศเสื่อมยศนินทาสรนเสริญสุขและทุกข์ทำเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้มีปัญญาดีมีสติรู้ธทำเหล่านี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่ามีความแปรผันเป็นธรรมดาอิทธารม่มจึงย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออินิทารม่ม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 เทวทัตตวิปัติสูตรว่าด้วยวิบัติของพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจขูดเข ค, ครุงราชครื้เมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นานณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงปรารบพระเทวทัตรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่ดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัสต์ของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัสต์ของผู้อื่นตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นตามการอันควรภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัตธรรมแปดประการครอบงำย่ำยีจิต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 เทวทัตถูกยศครอบงำย่ำยีจิต 4. เทวทัตถูกความเสื่อมยศครอบงำย่ำยีจิตหาเทวทัตถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิตหกเทวทัตถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตเจ็ดเทวทัตถูกความปรารถนาชั่วครอบงำย่ำยีจิตแปดเทวทัตถูกความมีมิชั่วครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบาย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 ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักระที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิจฉา่ที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงพึงครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่และถึงพึงครอบงำความมีมิจฉาที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอครอบเงืองลาบที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบเมืองความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้น ความมีมิจฉ u ที่เกิดขึ้นอยู่อารวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคนพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอครอบงำความมีมิจฉ u ที่เกิดขึ้นอยู่อารวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคนย่อมไม่มีแก่เธอภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอํานาจประโยชน์นี้แลจึงพึงครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงความเสื่อมราบที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้น ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่และถึงความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้น สักกะระที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักกะระที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความไม่มิจฉุอที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเทวทัวตตวิปัติสูที่เจ็ดจบ อุตระวิปติสูตรว่าด้วยพระอุตระแสดงธรรมเรื่องวิบัติสมัยหนึ่งท่านพระอุตระอยู่ที่วตชาลิขาวิหารใกล้ภูเขาสังเคยกะมหิสะวัตถุชนบทณที่นั้นแหลท่านพระอุตระเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของตนตามการอันควร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 ครั้งนั้นแหลเท้าเวสวร์มหาราชได้หายจากวัตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเคยกะมหิสาวาตุชนบทไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นเท้าเวสวร์มหาราชเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะจอมเทพถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลเท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่า ขอเดชะท่านผู้นิรุ์พระองค์โปรดทรงทราบว่าท่านอุตรนี้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายในวัตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเคยกะมหิสาวัตุชนบทอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นความบิติของตนตามการอันควรและถึงทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นตามการอันควร ครั้งนั่นแหลเท้าสักกะจอมเทพได้ทรงหายจากเทวโลกชั้นดาวดึงไปปรากฏต่อนหน้าท่านพระอุตระที่วะตะชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเคยกะมหิสาวัตถุชนบทเหมือนบุรุษมีกำลังเยยกแขนออกหรือคูแขนเข้าฉะนนั้นครั้นแล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระอุตระถึงที่อยู่ทรงไหว้แล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรตรัสถามท่านพระอุตระดังนี้ว่า จริงหรือท่านผู้เจริญทราบว่าท่านพระอุตระแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึง พ, พิจารณาเห็นความบิบัติของตนตามการอันควรละถึงทางที่ดีภิกษุพึง พ, พิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นตามการอันควรท่านพระอุตระได้ถวายพระพรว่าอย่างนั้นท่านจอมเทพท่านผู้เจริญ ข้อความนี้เป็นปฏิพานส่วนตัวของท่านพระอุตระเองหรือว่าเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านจอมเทพถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจากยกข้ออุปมาให้พระองค์สดับวินยูชนบางพวกในโลกนี้จะรู้อัดแห่งพาสิทธิ์ได้ท่านจอมเทพมีเข้าเปลือกกองใหญ่อยู่ในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคม หมูชนเป็นอันมากพึงขนเข้าเปลือกจากเข้าเปลือกกองใหญ่นั้นด้วยหาบบ้างด้วยตะกร้า บ, บ้างด้วยห่อพกบ้างกอบด้วยมือบ้างท่านจอมเทพหากมีบุคคลเข้าไปถามหมูชนเป็นอันมากนั้นอย่างนี้ว่าพวกท่านขนเข้าเปลือกนี้มาจากไหนท่านจอมเทพหมูชนเป็นอันมากนั้นจะตอบอย่างไรจึงจะชื่อว่าตอบได้อย่างถูกต้องท่านผู้เจริญ มูชนเป็นอันมากนั้นเมื่อจะตอบให้ถูกต้องควรตอบว่าพวกเราค้นมาจากเข้าเปลือกกองใหญ่นน้นท่านจอมเทพทำนองเดียวกันนั่นแหลพระดำรัสที่เป็นสุภาษิต ท, ทั้งหมดเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอาตมาภาพและสาวกเหล่าอื่นย่อมกล่าวโดยถือเอาจากสุภาษิต ท, ทั้งหมดนั้นท่านผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระอุตระกล่าวเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าพระดํารัตที่เป็นสุภาสิทธ์ทั้งหมดเป็นพระดํารัตของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอัตมาภาพและสาวกเหล่าอื่นย่อมกล่าวโดยถือเอาจากสุภาสิทธ์ทั้งหมดนั้นท่านอุตระผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิ้จกูดเขครุงราชครื้ เมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นานณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงปราบรพระเทวทัตรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัสสของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัสสของผู้อื่นตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของตนตามการอันควร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 ดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ 2. เทวทัตถูกความเสื่อมลาบครอบงมย่ำยีจิตละถึง 3. เทวทัตถูกยศครอบงมย่ำยีจิต 4. เทวทัตถูกความเสื่อมยศครอบงามย่ำยีจิต 5. เทวทัตถูกสักการะครอบงมย่ำยีจิต 6. เทวทัตถูกความเสื่อมสักการะครอบงมย่ำยีจิต7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 ละถึงพึงครอบงำความไม่มิชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเมื pues ่อภิกษุไม่ครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงยศที่เกิดขึ้น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 ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาธรรมบัญญายนี้หาได้ตั้งมั่นอยู่ในบริษัทหมู่ไหนไหม่ขอท่านอุตระโปรดเรียนธรรมบัญญายนี้โปรดจดจำธรรมบรรยายนี้โปรดทรงจำธรรมบัญญายนี้ไว้เถิดเพราะธรรมบัญญายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อุตรวิปติสูที่8ดจบ ทสูตรว่าด้วยพระนันทะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่ากุลบุตรเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้มีกำลังเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้น่ารักเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้มีราคะจัดภิกษุทั้งหลายเว้นแต่ว่า นันทะจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่หนึ่งเนืองประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนันทะจึงจะสา ม, มารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นวิธีคุ้มครองทวารในอินทรียทั้งหลายสำหรับนันทะดังนี้คือหากนันทะจำเป็นต้องมองดูทิศตะวันออกนันทะต้องสำรวมจิตทั้งหมด มองดูที่ตะวันออกด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูที่ตะวันออกอยู่อย่างนี้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนต์จะครอบงาจิตของเราไม่ได้นันทะต้องเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการมองดูนั้นอย่างนี้หากนันทะจำเป็นต้องมองดูทิศตะวันตกและถึงจำเป็นต้องมองดูทิศเหนือจำเป็นต้องมองดูทิศใต้จาเป็นต้องมองดูทิศเบื้องบน จำเป็นต้องมองดูทิศเบื้องล่างจำเป็นต้องมองดูทิศเฉียงนันทะต้องสำรวมจิตทั้งหมดมองดูทิศเฉียงด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูทิศเฉียงอยู่อย่างนี้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนั์จะครอบงำจิตของเราไม่ได้นันทะต้องเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการมองดูนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือวิธีคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสำหรับนันทะ วิธีรู้จักประมาณในการบริโภคสำหรับนันทะดังนี้คือนันทะต้องพิจารณาโดยแยกขายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินซีเป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรันทร์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกาจัดเวทนาเก่าเสียได้ และจักไม่ใหเวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยภาสุจกมีแก่เราภิกษุทั้งหลายนี้แลคือวิธีรู้จักประมาณในการบริโภคสำหรับนันทะวิธีประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่หนึ่งๆสำหรับนันทะดังนี้คือนันทะต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวัน ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จสีหาสายยาโดยตะแคงข้างขวาซอนเทา้าเหลื่อมเทา้ามีสติสัมปชัญญะทำอุทานสัญญาความหมายใจว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจในมัชิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอด ปชิมยามแห่งราตรีภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือวิธีประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่หนึ่งหนึ่งสาหรับนันทะวิธีมีสติสัมปชัญญะสาหรับนันทะดังนี้คือเวทนาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่และปรากฏดับไปแก่นันทะสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่และปรากฏดับไปแก่นันทะวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ และปรากฏดับไปแก่นันทะภิกษุทั้งหลายนี้แลคือวิธีมีสติสัมปชัญญะสำหรับนันทะภิกษุทั้งหลายเว้นแต่ว่านันทะจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนันทะจึงจะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างนี้แหล นันทศสูตรที่เก้าจบสิบการันทะวะสูตรว่าด้วยสมณะอยากเยื่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณริมฝั่งสะคะคราโบกครณีเคกรุงจำปา สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุด้วยอาบัตภิกษุรูปที่ถูกผู้ภิกษุโจ์ด้วยอาบัตนั้นพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกาจัดบุคคล น, นี้ออกไปจงกาจัดบุคคล น, นี้ออกไปคนชนิดนี้ต้องขับออกเป็นบุตรนอกข้อ กวนใจเสียจริงภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาทและจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญอื่นๆตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้น ภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ประทุสร้ายสมณนะเป็นสมณะแกรบเป็นสมณะอยากเยื่อคลั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้วจึงนาสนะเขาออกไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าได้ประทุสรายภิกษุที่ดีอื่นๆภิกษุทั้งหลายหญ้าที่ทำลายต้นข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายนึ่ง เพิ่งเกิดขึ้นในนาข้าวที่สมบูรณ์รากของมันก็เป็นเช่นเดียวกับข้าวที่ดีอื่นๆก้านของมันก็เป็นเช่นเดียวกับข้าวที่ดีอื่นๆใบของมันก็เป็นเช่นเดียวกับข้าวที่ดีอื่นๆตราบเท่าที่มันยังไม่ออกรวงแต่เมื่อใดมันออกรวงเมื่อนั้นชาวนาย่อมรู้จักมันอย่างนี้ว่าหญ้านี้ทําลายต้นข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวลีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายหนึ่ง ครั้นรู้จักมันอย่างนี้แล้วชาวนาจึงถอนมันขึ้นพร้อมทั้งรากแล้วทิ้งให้พ้นจากที่นาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าหญ้าชนิดนี้ยาได้ทำลายข้าวที่ดีอื่นๆแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกการครองสังขาติ บาทและจีวอนเหมือนภิกษุผู้เจริญอื่นๆตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ประทุษร้ายสมณนะเป็นสมณะแกรบเป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้วจึงนาสนะเขาออกไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่า ภิกษุนี้อยากได้ประทุสร้ายภิกษุที่ดีอื่นๆภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลฝัดเข้าเปลือกกองใหญ่เข้าเปลือกที่เป็นตัวแกง่งในเข้าเปลือกกองใหญ่นั้นก็เป็นกองอยู่ส่วนหนึ่งส่วนเข้าเปลือกที่ลีบก็ถูกลมพัดไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเจ้าของใช้ไม้กวาดกวาดข้าวที่ลีบนั้นออกไปโดยมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่า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 ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ปรทุสราสมมณะเป็นสมณะแกรบเป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้วจึงนาสนะเขาออกไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้ย่าได้ปรทุสราภิกษุที่ดีอื่นๆภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการกระบอกตักน้าดื่ม ถือขวานอันคมเข้าไปในป่าเขาใช้สันขวานเคาะต้นไม้ใดๆบรรดาต้นไม้นั้นๆต้นไม้ที่แข็งมีแก่นซึ่งถูกเคาะด้วยสันขวานมีเสียงแน่นส่วนต้นไม้ที่เสียเป็นโพรงข้างในเปียกชื้นเกิดผุยุ่ยถูกเคาะด้วยสันขวานมีเสียงก้องเขาจึงตัดต้นไม้ที่เสียข้างในนั้นที่โคนครั้นตัดที่โคนแล้วจึงตัดปลาย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 เพราะการอยู่ร่วมกันบุคคลจึงรู้ได้ว่าผู้นี้เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมักโกรธลบหลู่คุณท่านหัวดือ้อตีเสมอริษยาตรณีโอโอดบุคคลบางคนอยู่ในชุมชนพูดไพเราะพูดดังสมณนะปิดบังกรรมชั่วมีความเห็นชั่วไม่เ อ, อื้อเฟื้อพูดเลอะเทอะพูดเท็จเธอทั้งหลายทราบบุคคลนั้นว่าเป็นอย่างไรแล้ว จงพร้อมเพลียงกันขับบุคคลนั้นเสียจงกำจัดบุคคลผู้เป็นดังแกลบจงถอนบุคคลผู้เป็นดังอยากเยื่อออกไปจงนำบุคคลผู้เป็นดังแกลบผู้มิใช่สมณะแต่ยังถือตัวว่าเป็นสมณะออกไปเสียครั้นกำจัดบุคคลผู้ปรารถนาชั่วมีอาจาระและโคจรชั่วออกแล้วจงเป็นผู้มีสติอยู่ร่วมกับบุคคลผู้บริสุทธิ์และบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์จากนั้น เธอทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกันมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนจากธรรมที่สุดแห่งทุกได้การันทวะสูตรที่10บจบเมตตาวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เมตตาสูตร 2. ปัญญาสูตร 3. ปฐมอัปิยะสูตร 4. ทุติยะอัปิยะสูตร 5. ปฐมโลกธรรมสูตร 6. ทุติยโลกธรรมสูตร 7. เทวทัตตวิปัติสูตร 8. อุตรวิปัติสูตร 9. นันทสูตร 10. การันทวะสูตร